มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีเราขอถามบ้างนะอะปัญญาทางพุทธศาสนานี่มีอยู่กี่แบบกี่ชนิดปัญญาคือความรู้เนี่ยของทางพุทธศาสนามีอยู่ กี่ชนิดด้วยกันรู้ไหมเป็นชาวพุทธไม่รู้อ่ะสี่อ่าเป็นยังไงบ้างสี่ แปลว่าสุตตะนี้แปลว่าพระสูตรเนี่ยพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรียกว่าพระสูตรเราได้ยินฟังได้ฟังพระสูตรของพระพุทธเจ้าคือฟังเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเป็นอาจารย์สอนนักเรียนเวลาที่พระพุทธเจ้าสอนเราเรียกว่าเป็นพระสูตร สอนเรื่องนั้นสอนเรื่องนี้ก็มีชื่อเช่นพระสูตรอันแรกที่สอนให้นักเรียนชุดแรกเรียกว่าธรรมจักกับปวัตตนสูตรเราทรงสแสดงเรื่องธรรมจักธรรมจักคืออะไรก็ธรรมะจักนีสมัยโบ ร, ราณเขาเรียกว่าเป็นล้อสมัยเขาสมัยก่อนนั้นเขาจะใช้ล้อนี่ เหมือนเก่าว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของของอาณาจักรถ้ามีสั ญ, ญลักษณ์ล้อนี้จักจักนี้อยู่ตรงไหนถือว่าตรงนั้นเป็นเขตของของอาณาจักรนั้นนีพระพุทธเจ้าก็ประกาศอาณาจักรของธรรมอะไรใช้เรียกว่าธรรมจักเป็นครั้งแรกที่ทรงประกาศสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทได้ทรงตัดสรู้นี่ทรงแสดงว่าทรงรู้อะไรก็ทรงรู้ว่าความทุกข์คืออะไรอยู่ที่ตรงไหนเหตุของความทุกข์คืออะไรแล้วการที่จะทำให้ความทุกข์ดับไปนั้นทำได้อย่างไร นี่คือพศุตย์แรกของของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระพระปฐมเทศนาปฐมแปลว่าอันแรกทําไมเราเรียกเรื่องนครปฐมว่านาครปฐมเพราะมีที่เจดีย์อยู่อันแรกเหมือนกับเป็นที่ตั้งของพระพุทธศาสนาครั้งแรกในประเทศไทยปฐมเจดีย์ ปฐมเทศนาเจดีย์องค์ใหญ่องค์แรกคำว่าพระสูตรนี่ก็เลยคือคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าสุตรมยปัญญาก็คือปัญญาที่ได้เกิดจากการได้เรียนพระสูตรของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาซึ่งสมัยก่อนก็ไม่มีหนังสือให้อ่าน คนอ่านหนังสือไม่ออกก็ต้องรอฟังอย่างเดียวฟังเทศฟังธรรมสุตมยาปัญญาก็เลยแปลว่าความรู้หรือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอันนี้เป็นความรู้เบื้องตน้นคือถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปถามคนที่รู้ยันไม่รู้ว่าที่นี่อยู่ตรงไหนสถานที่ตรงนี้อยู่ตรงไหน เราก็ต้องไปหาคนที่รู้บอกเราการไปหาความรู้นี้เรียกว่าเป็นการไปศึกษาจากผู้รู้เรียกว่าสุตตะมยปัญญาเพราะเราไปถามผู้รู้เขาก็จะบอกเราว่าที่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมาด้วยทิศไหนทางไหนนี่คือความรู้อันแรกของของพวกเรา พวกเราต้องเข้าหาผู้รู้นะผู้ที่รู้จริงนี้มีอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามคนนี้เท่านั้นถ้าไปเรียนที่อื่นจะไม่ได้ความรู้จริงจะได้ความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะต่อให้ไปเรียนหาวิทยาลัย อ, อันดับหนึ่งของโลกนะนะไปเรียนออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ฮาร์วาร์ดสแตนฟอร์ดม เขาไม่สอนความรู้ที่ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เขาสอนความรู้ให้เราตกอยู่ในกองทุกข์กันเราจึงเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดพ้นจากความทุกข์ความรู้ในมหาวิทยาลัยต่างๆในโลกนี้ไม่ได้สอนให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่รู้เพราะไม่รู้วิธี หนึ่งไม่รู้ว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรสองไม่รู้จากวิธีที่จะกำจัดเหตุนั้นความทุกข์ก็เลยไม่หมดไปเรียนจบ PhD เอชดีเปาเอกจาก h าเวิรมาก็ยังร้องห่มร้องไห้ยังเศร้าโศกเสียใจอยู่ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ เห็นปัญญาทางโลกนี้ไม่ใช่เป็นปัญญาที่เราพูดถึงปัญญาที่เราพูดถึงนี้เป็นปัญญาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นแหล่งของปัญญาที่เป็นความรู้ที่พาให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่สอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ร้อเปอร์ คำสอนของนักที่อื่นศาสนาอื่นอาจจะพาสอนให้ลดหรือทําให้ความทุกข์น้อยลงได้แต่ไม่สามารถสอนให้ดับความทุกข์ได้อย่างร้อยเอร์เซยังต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันได้ศาสนาบางศาสนายังไม่รู้เลยว่า ตายไปแล้วยังต้องกลับมาเกิดใหม่ศาสนาบางศาสนาควาตายแล้วก็ไปสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้านิดนิรันต์ราบนิดนิรันต์แต่ศาสนาพุทธกลับว่าสวรรค์นี้มันไม่ถาวรมันไม่นิดนิรัน์มันอนิจจังขึ้นสวรรค์ได้ก็ตกสวรรค์ได้ยังต้องตกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ผู้ที่ไปสวรรค์ไปอย่างไรก็ผู้ที่ไม่ทำบาปห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสรายาเมาแล้วก็ทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ด้วยกันด้วยวิธีการต่างๆแบ่งปันข้าวของเงินทองแบ่งปันประโยชน์สุขที่ตนมีให้แก่ผู้อื่น ถ้าทำได้สองข้อนี้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็มีหลายชั้นด้วยกันเหมือนกับเกรดของนักเรียนมีหลายเกรดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่อยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยเรียนมากเรียนน้อยดูหนังสือมากดูหนังสือน้อยนักเรียนที่ดูหนังสือมากก็ได้เกรดสี่ ดูน้อยก็ได้เกรดหนึ่งหรือบางทีไม่ได้ถึงหนึ่งก็มีเพราะไม่ดูเลยสอบแล้วก็ไม่รู้เรื่องพวกที่ได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็อยู่ที่ทำบุญมากทำบุญน้อยไม่ใช่ทำบุญแบบไหนาถามว่าทำบุญแบบนี้จะได้บุญมากกว่าแบบนั้นหรือเปล่าเช่นทำบุญกรถินจะได้บุญมากกว่า สังฆทานหรือเปล่าถวายกุฏิจะได้บุญมากกว่าถวายผ้าป่าหรือเปล่าถวายพระพุทธรูปจะได้มากกว่าสร้างเจดีย์หรือเปล่าแบบไหนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยคือเสียสละมากมันก็ทำมากเราเสียสละมากเราก็จะได้สวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไป ท่านน้อยก็ได้สวรรค์ท่านต่างการเสียสละของเราเสียสละมากนี่เนงบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินของขอ ง, ของแต่ละคนคนหนึ่งเสียสละล้านบาทไอ้คนเสียสละแสนหนึ่งอาจจะได้บุญเท่ากันเพราะอย่างไรเพราะคนที่มีล้านอาจจะมีอยู่สิบล้าน ทำไปล้านหนึ่งก็เท่ากับทำร้อยละสิบของเงินทองที่มีอยู่คนที่ทำแสนก็มีเงินอยู่ล้านหนึ่งก็ทำไปแสนหนึ่งก็ทำร้อยละสิบเหมือนกันได้ความสุขได้ความเสียสละเท่ากันเสียสะละร้อยละสิบของทรัพย์สินของตนที่มีอยู่อันนี้ก็ได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกันเพราะความสุขใจมันเท่ากัน นี่คือคือพูดถึงอา น, นิสงส์ของการทำบุญแล้วเกิดความสุขใจจำนวนเงินไม่สำคัญแต่ละคนนีมันไม่สมันอยู่ที่ว่าตัวเองมีมีเท่าไหร่แล้วทำไปแบ่งไปทำเท่าไหร่มีล้านหนึ่งแบ่งมีสิบล้านแบ่งไปล้านหนึ่งก็เท่ากับแบ่งไปร้อยละสิบ มีร้านหนึ่งทาไปแสนหนึ่งก็แบ่งไปร้านละร้อยละสิบเหมือนกันความรู้สึกก็เหมือนกันใช่ไห ม, ม เ, เหมือนหนูกินข้าวถ้วยกินข้าวช้อนหนึ่งกับช้างกินข้าวถังหนึ่งมันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมคว <hips, S 1> ามอิ่มเหมือนกันความสุขเหมือนกันแต่พลังไม่เหมือนกันพลังช้างกับพลังหนูไม่เหมือนกัน อันนี้คืออั น, นิสงส์ที่จะได้รับเวลากลับมาเกิดใหม่ทำล้านกลับมาก็จะได้ล้านบวกดอกเบีย้ยทำแสนกลับมาเกิดใหม่ก็ได้แสนบวกดอกเบีย้ยแต่เวลาไปสวรรค์ไปอยู่ชั้นเดียวกันเข้าใจไหมสวรรค์คือความอิ่มใจสุขใจเวลานอนหลับฝันดีฝันแบบเดียวกันฝันดีเหมือนกัน เพราะทำบุญเท่ากันแต่จำนวนเงินไม่เท่ากันแต่การเสียสละเท<ม>่ากันเสียสละร้อยละสิบของทรัพย์สมบัติของตนเองนี่คือบุญฉะั้นคนที่บอกคนที่ยากจนบอกฉันทำแค่100ร้อยเดียวฉันจะไปสู้คนที่ทำล้านหนึ่งได้ไงก็ไม่น่คนที่มีละมีร้อยหนึ่งแล้วทำทั้งร้อยจะได้มากกว่าคนที่ทำล้านหนึ่งก็ได้ ถ้ามีร้อยล้านทําล้านหนึ่งแต่คนมีร้อยบาททํามันร้อยไปเลยแล้วก็ไปบวชเลยอย่าเงี้ยพวกนี้เขาได้บุญมากกว่าในแค่ร้อยเดียวแต่เขาได้บุญมากเพราะเขาเขาตัดไปได้หมดในเรื่องเงินทองแล้ไม่ต้องพุ่งเงินทองอีกต่อไปแล้วก็จะได้สวรรค์สูงกว่าคนร้อยล้านนี่เพราะเขาจะไปสวรรค์ชั้นพรมกันตนไปบวชนี่เขาไม่ไปชั้นเทพแล้ว เขาจะไปชั้นทถมเพราะเขาจะได้ไปภาวนาเขาไม่เอาเงินมาซื้อความสุขต่างๆเขาเลยไม่ต้องมาหาเงินหาทองมาใช้เงินใช้ทองก็เวลาหาเงินหาทองนี่ไปภาวนาไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบความสุขของสมาธินี้มันมากกว่าความสุขที่ได้จากการทาบุญร้อยล้านพันล้านเข้าใจไนหะ นัตติสันติพลังสุขขังเนี่ยแว่าไม่มีสุขอันใดทีจ่จะเหนือเท่ากับความสงบศพความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสงบไม่มีพวกที่เขาทาบุญร้อยบาทเพราะเขามีแค่ร้อยบาทอย่างเรามีสามพันเราก็ทำสามพันแล้วเราก็ไปบวชเราไม่เอาสวรรค์ชั้นเทพนะเราเอาสวรรค์ชั้นทองนั่งสมาธิดีกว่า ดีกว่าเอาเงินสามพันไปเที่ยวคืนเดียวก็หมดหมดแล้วก็นี่ก็ทุปเกษตรต้องมาหาเงินใหม่ใช่ไหมแต่นี้ไปนั่งสมาธิไม่มีวันหมดมีสติมากน้อยเท่าไหร่มีเวลามากน้อยเท่าไหร่นั่งได้ตลอดเวลาและเวลาจิตสงบนี้ได้สวรรค์สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพได้สวรรค์ชั้นทออนี่คือ คามรู้ที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์นี้มาจากพระพุทธศาสนาต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทนะถ้าไปศึกษาจากแห่งอื่นจะไม่ได้อาจจะได้บางส่วนศาสนาบางแห่งก็สอนให้ทําบุญสอนให้รักษาศีลตายไปก็ไปสวรรค์ชั้นเทพบางศาสนาก็สอนให้สรวจ นับลูกประคมอันนี้ก็เหมือนกับทำสมาธิให้หยุดความคิดต่างๆพอจิตสงบก็ไปสวรรค์ชั้นโทมได้แต่ไม่ว่าจะเป็นชั้นเทพหรือชั้นโทมนี่มันก็ยังอยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจมันไม่นิรันดร์มันไม่มันไม่ถาวรได้แล้วก็ต้องเสือ่อมได้สวรรค์ชั้นโทมก็ต้อง เดี๋ยวบุญที่ส่งขึ้นไปสวรรค์ชั้นพนหมดกำลังก็ลดลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเพราะว่าเหตุที่ทำให้บาเกิดนี้ไม่ได้ถูกกาจัดไม่ได้ถูกกาจัดด้วยการรักษาศีลไม่ได้ถูกกาจัดด้วยการทำบุญให้ทานไม่ได้ถูกกาจัดด้วยการนั่งสมาธิ เพียงแต่ถูกกดเอาไว้ถูกตัดกิ่งก้านทําบุญนักษาเสีย น, นั่งสมาธิเหมือนกับตัดกิ่งก้านของต้นไม้ทําบุญก็เหมือนกับตัดใบตัดใบไม้นัก่งสมาธี่็เหมือนกับตัดกิ่งไม้นั่งสมาธิก็เหมือนตัดต้นไม้แต่ยังไม่ได้ถอนถอนต้นไม้ออกจากดินเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ ถารากมันยังมีอยู่ในดินอยู่ถ้าอยากจะให้ต้นไม้นี้ไม่งอกขึ้นมา ก, ก็ต้องถอนมันถอนรากของมันรากที่ทำให้เรามาเกิดกันคืออะไรก็คือตัณหาความอยากกรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งพอไปถึงสวรรค์ชั้นพรมแล้ว ตัดกิ่งตัดก้านตัดต้นมันแล้วของพบชาแล้วทีนี้ก็ต้องถอนรากถอนโคนของมันทิธีจะถอนก็้อนถอ น, ถอ น, ถอนด้วยปัญญาต้องให้รู้ว่าอะไรเป็นรากของการมาเกิดแก่เจ็บตายรากของต้นไม้ก็คือตันหาเนี่ยการมาตันหาภาวะตันหาปีภาวะตันหา แล้วจ ะ, อะพอรู้ถ้าไม่ไม่ได้เรียนจากพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครรู้ศาสนาทุกศาสนาไม่รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มาได้อย่างไรลังศาสนาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดที่ว่าตายแล้วก็ไปสวรรค์แล้วก็จบไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายติงต่อไปลังศาสนาก็ รู้ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดรู้สึกศาสนาฮินดู้เขารู้เนี่ยเขาก็มีเชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดแต่เขาไม่รู้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเขาก็คิดว่าให้ไปเกิดชั้นพรหมแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเขาคิดว่าถ้าไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็เป็นพรหมไปตลอด แต่พระพุทธเจ้ากับทรงก้อนพบว่ามันยังไม่ตลอดมันยังเสื่อมได้สวรรค์ชั้นพมสวรรค์ชั้นเทพนะเพราะว่าความอยากที่จะทำให้มันเกิดทำให้จิตมันเสื่อมนี่มันมียังไม่ไถูกกำจัดไม่ไม่มีใครรู้ว่าเหตุที่ทำให้จิตต้องเสือ่อมต้องกลับมาเกิดใหมน่นี่คือปัหาทั้งสามนี่ ตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ไปเรียนกับอาจารย์ที่ไหนรูปไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าทํายังไงจะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดทําไงทําให้ไม่ต้องทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่ได้อยู่ในฌานเวลาอยู่ในฌานนี่เหมือนกับไม่มีความทุกข์เลยความทุกข์หายไปหมดเพราะตอนนั้นความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ มันถูกกดเอาไว้ด้วยกำลังของสมาธิแต่พอออจากสมาธิมาก็เหมือนเอาหินที่ทับหญ้าออกมายกหินออกมาหญ้าที่ถูกทับเดี๋ยวมันก็ได้น้ําฝนได้น้ําค้างเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นม า, มาเพราะมันยังมีรากอยู่ในดินถ้าไม่อยากให้ต้นไม้หรือต้นหญ้านี้งอกเงยขึ้นมาก็ต้องถอนรากมัน กำจับรากมันรากมันก็คือกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาที่พระพุทธเจ้าเป็นคนเป็นผู้ค้นพบไม่มีใครรู้ว่ารากเ ง, งาของการเวียนว่ายตายเกิดรากเง้าของความทุกข์ต่างๆนี้มาจากความอยากทั้งสามประการนี้นี่คือปัญญาที่เราต้องมาเรียนกันที่มาเรียนกันนี้เพื่อจะเอาปัญญาส่วนนี้ และปัญญาตัวอื่นด้วยปัญญาวิธีกำจัดความอยากสี่วิธีด้วยกันสี่ขั้นด้วยกันขั้นขั้นทาทานขั้นรักษาศีลข่านนั่งสมาธิแล้วก็ขั้นปัญญา<ม>อันนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราไม่อยาอกจะกลับมาเกิดเราต้องไม่ทําตามความอยากเราต้องหยุดความอยาก นี่คนที่ไม่อยากจะสูบบุหรีนี่ต้องทํำยังไงเวลาอยากจะสูบบุหรีต้องสูบหรือไม่สูบสูบเหรอสูบแล้วมันจะหายไหมความอยากจะสูบบุหรีจะหายไหมไม่หายถ้าอยากให้มันหายทําไงเริ่มแรกสูบใช่ไหมพอทุกครั้งที่อยากจะสูบไม่สูบเดี๋ยวมันความอยากสูบบุหรีมันก็หายไปเอง ความอยากทุกอย่างจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเลิกมันต้องไม่ทำมันยเรวต้องละตั้นหาต้องละอยากมีแฟนก็อยากไปมีแฟนถ้ามีแฟนเดี๋ยวก็ต้องหีไปเรื่อยๆแฟนันนี้จากกันไปก็หาแฟนใหม่มาต่อหามาหลายพบหลายชาตินี่ที่ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะส่วนหนึ่งอยากจะมีแฟนกันอยากจะมีความสุขจากการได้อยู่ใกล้ชิด ได้เห็นลูกเสียงกลิ่นรสของแฟนได้สัมผัสตัวแฟนถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องละความอยากเหล่านี้นี่คือปัญญาที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สอนเท่านั้นเราจึงต้องมาศึกษาเราจึงต้องมาหาสุตตมัญปัญญา แล้วปัญญาขั้นที่สองคืออะไรกินตาเมยะปัญญาจินตาแปลว่าอะไรก็คือจินตนาการหรือความนึกคิดให้นึกนถึงปัญญาที่เราได้เรียนรู้มาจากสุดตะเมยะปัญญาอย่่งวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดต้องกาจัดความรความอยากทั้งสอง การจะไปกำจัดได้ก็ต้องทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิก่อนถึงจะขึ้นไปถึงขั้นที่จะไปกำจัดความอยากได้เราก็ต้องมาคิดบ่อยๆถ้าเมื่เราไม่คิดเดี๋ยวเราลืมถ้าไม่คิดเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวอยากกินกาแฟาก็ชงเลยอยากดูทีวีก็เปิดเลยอยากจะทำอะไรก็ทำเลยแสดงว่าไม่มีจินตา สุดตาได้มาก็หายไปหมดแล้วลืมฟังแล้วก็าจางหายไปเหมือนเด็กตัอเรียนเรียนเรียนหนังสือกับบาแล้วอาจารย์ต้องเอาการให้การบ้านมาทำจะได้ไม่ลืมใช่ไหมวอนนี้สอนวิธีบวกลบคูณหาร<ม>ก็เอาการบ้านมาให้เด็กทำที่บ้านอีกทีว่าเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาการบ้านมาทำเอาสองคูณสองไปทำได้เท่าไหร่เอาสี่คูณแปได้เท่าไหร่เอาไปทำแล้วพุ่นี้คําตอบมาให้ ก็เป็นการอุบายให้เด็กคิดอยู่เรื่อยๆให้จดจำอยู่เรื่อยๆอันนี้เรียกว่าจินตามายาปัญญาต้องคิดอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรแล้ววิธีจะดับความทุกข์นี้ดับดับด้วยอะไรดับด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาจำไว้ต้องจำไว้ทุกครั้งที่ อยากอะไรก็ต้องหยุดมันถ้ายังมีเงินมีทองจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากก็ต้องหยุดมันให้เอาเงินไปทําบุญทําทานแทนถ้าอยากจะใช้เงินจะใช้เงินตามความอยากใช้ตามความจําเป็นได้อยู่ใช้ซื้ออาหารให้น่างกายกินแต่อย่า ก, กินตามความอยากกินเท่าที่จําเป็นกินเวลาหิวไม่ใช่กินเวลาอยาก เวลาอยากก็หิวไม่เหมือนกันนะอยากมันก็อยากตลอดเวลากินอี่ใหม่ๆก็อยากกินได้อยากกินอีกได้ถ้ามันไม่ได้กินมาสามสี่ห้าชั่วโมงมันหิวกินด้วยความหิวไม่เป็นไรแต่อยา ก, กินด้วยความอยากวิธีที่จะแก้ความสงสัยว่าหิวเลยอยากก็มันกินหนนเดียวเนี่ยพรเจ้าบอกให้กินหนนเดียวเนี่ย จะได้รูู้แล้วรู้ลอยกันว่ามันหิวแล้วมันอยากกันแน่ร่างกายมันกินหนเดียวมันพอมันมันอยู่ได้มันไม่ตายฉะนั้นถ้ากินมากเกินเดียวหนอนเดียวก็แสดงว่ากินต่างความอยากก็ไปเท่ากับไปไปสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์เพราะเวลาอยากกินมือไม้มันสั่นไมมใจมันสั่นเวลาไม่ได้กินแล้วมันยังทุกข์ไหม พวกที่เคยกินข้าวเย็นพอมาถือศีลแต่ต้องไม่อดข้าวเย็นนี่ทุกไหมยังไม่อยากจะอดไม่อยากจะถือศีลแต่กันนะเพราะไม่ได้กินข้าวเย็นอยากกินไม่ได้กินด้วยความหิวะกินด้วยความอยากร่างกายไม่หิวร่างกายไม่ตายจากการไม่ได้กินข้าวเย็นอนี่เราเราต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยเืยเรียกว่าจินตาไมยะปัญญา ต่อนี้เราจะต้องไม่ทำตามความอยากถ้าเราจะเอาเงินไปซื้อของต่างความอยากเอาไปทําบุญแทนหรือเอาเก็บไว้ซื้อของจําเป็นแทนเราจะได้ไม่ต้องหาเงินมากไม่ต้องไปใช้เงินมากเราจะได้มีเวลามามาทําอย่างอื่นที่เร า, เรายัางต้องทำต้องมารักษาศีลห้ากันคนที่ทํารักษาศีลห้าไม่ค่อยได้เพราะอะไร เพราะคนที่อยากได้เงินมากๆได้ง่ายๆได้เร็วๆใช่ไหมถ้าอยากได้มากได้ง่ายได้เร็วมันก็ต้องโกงต้องโกหกหลอกลวงแต่พวกแม่ค้ามาบ่นไม่ว่าถือสินห้าอย่างก็เกินต้องโกหกไม่ได้แต่ถ้าคนที่ไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องหาเงินมากเพราะใช้เงินเท่าที่จําเป็นจะไม่ใช้มาก กินข้าววันละมื้อมันจะใช้ได้กี่ตังค์กันเสื้อผ้าก็มีอยู่เหลือเฟือแล้วบ้านก็มีแล้วยาก็นานๆจะกินสักทีเงิ น, นอทองจะใช้มันก็จะน้อยมากถ้าจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นจริงๆนอนอยานมันไปใช้กับความอยากนะเห็นห น, หนั่นนู่นก็อยากได้เห็นนี่ก็อยากได้เห็นก็มีนู่นมีนี่ก็อยากจะมีกับเขาเราซื้อมา ซื้อมาเงินมันก็ไม่พอใช่ยิ่งมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะของนี่มันจะซื้อมันเยอะเกินเนี่ยแล้วของชนิดเดียวก็มีราคาหลายระดับตอนต้นมีเงินซื้อปิดกับก็เอาก่อนแนละ้วต่อไปพอมีเงินซื้อเก่งก็เอาน่ะสิพอเก่งระดับต่ำไม่พอต้องเอาระดับกลางนะระดับกลางไม่พ อ, อระดับสูงนะมันก็ขึ้นไปได้เรื่อยมีเงินเท่าไหร่ไม่พอใช้แล้วถ้า ถ้าใช้ตามความอยากฉะนั้นเราต้องจำไว้เนี่ยเราเรียนมาแล้วว่าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่านตายเกิดเราต้องฝืนความอยากทุกรูปแบบเราก็จะรักษาศีทได้เพราะถ้าเราทำบุญเราก็จะมีใจที่เมตตาเราทำบุญเพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมให้คนอื่นเขามีความสุข ถ้าเราจะไปทำให้เขาเดือดร้อนทำไมเราก็จะไม่ทำอะไรให้เขาเดือดร้อนเราจะหาหาเงินหาทองก็จะไม่หาแบบที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่หลอกลวงเขาไม่ไปขโมยเงินเขาไม่ไปกัรโชคไม่ไปโป้นไปจี้ไม่ไปขู่เข็นบังคับนี่คือคนที่ทำบุญแล้วก็จะรักษาสียงได้ ที่ยังทำบุญไม่ได้นี่รักษาศีลไม่ได้ไม่เห็นความสำคัญของการรักษาศินกับเห็นว่าเป็นอุปสรรคเป็นสเสนียดจันไรที่ต้องกำจัดเห็นหาเงินไม่ได้<ม>เดี๋ยวไม่ได้รวยเดี๋ยวไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โต<ม>เพราะคนนี้จะเอาเงินมาซื้ออำนาจอีกทีนนะ<ม>เอาเงินมาหาเสียงใช่ไหมมาซื้อเสียง<ม>ใช่ไยต่อได้ได้ตำแหน่งแล้วก็ มีอำนาจทันกันได้มากกว่าเงินที่ลงทุนไปอีกตรงนี้เขาจะเห็นว่าการรักษาศีนนี้เป็นเรื่องของคนโง่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าสีลนี่มันตัวเสนีย์จันเลยที่ขวางการความลั่งความรวยความใหญ่ความโตนี่คือสิ่งที่เราต้องมาเจริญขั้นต่อไปหลังจากที่เราฟังทำแล้ว เราก็ต้องเอาธรรมที่เราได้ยินนี้มาค่ายควรคิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อจะได้ไม่ลืม เ, เพื่อเราจะได้นาไปสู่ปัญญาขั้นที่สามเวลาที่อยากจะทำตามความอยากามันก็ความรู้ที่เราได้จดจำว่ามันก็จะบอกเฮ้ยทำไม่ได้นะจะเอาเงินไ ป, ไปซื้อของตามความอยากไม่ได้นะนะเอาเงินไปไปซื้อไปเที่ยวไม่ได้นะเพราะเป็นการไปสร้างกองทุกไปสร้างภพชาต ไปสร้างการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็ถ้าไม่มีมันก็มันก็จะลืมพออยากได้ละพักกระเป๋าออกมาเลยมีบัตรกระูดเลยแล้วก็ความอยากบางชนิดนี้ก็<ม>เราก็สามารถใช้ปัญญาระดับที่สองนี้ระงับได้ความจำเรื่องธรรมทานลักษณศีีนี้ ไม่ต้องใช้ภาวนาก็ได้แต่เรื่องที่มันนึกกว่านี้มากกว่านี้หนักกว่านี้นี่บางทีมันเลิกไม่ได้เช่นความอยากความอยากไม่มีแฟนเนี่ยเลิกยากถ้าไม่มีกำลังของสมาธินี่เลิกไม่ได้ต้องไปฝึกสมาธิก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็ต้องไปหัดรักษาศี่แปดก่อเพื่อจะได้เลิกการหาความสุขทางร่างกาย ทางตาหูจมูกลิ้นกายคนถือศีลแปลนี้ไม่ไม่หาความสุขทางร่างกายเอาศีลมาบังคับก่อนจะนอนกับแฟนก็ไม่ได้นะศีลข้อสามนี่เป็นอบ ร, รมจารียาไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็จะหาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินไปก็ไม่ได้ตามความอยากไม่ได้นะให้กินไม่เกินเที่ยงวัน หนังเที่ยมแล้วห้ามกินอาหารแล้วก็ห้ามเที่ยวห้ามดูหนังฟังเพลงมหอรอศพบันเทิงอะไรต่างๆห้ามแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำผ้าทำผมใช้น้ำมันใช้น้ำหอมอะไรต่างๆแล้วก็ห้ามนอนบนฟูกหนาๆนอนมากเกินไปเสียเวลาเอาเวลาที่จะไปนอนเอาไปเที่ยวนี่มาสร้างสมาธิกัน มาสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราต้องแลกกันต้องเอาของเก่าทิ้งไปแล้วจะได้ของใหม่พอเมื่อเรากิดดื่มชาอยู่แล้วชาดื่มไปแล้วมันเย็นมันชืด อ, อยากจะได้ถ้วยใหม่ก็ต้องเทของเก่าทิ้งไปถ้าเทชาใหม่มาปนกับชาเก่ามันก็ มันก็ไม่ร้อนอีกมันก็มันก็อุ่นๆไม่อร่อยในชะ่ไหมถ้าชาเก่ามันเย็นแล้วอยากจะได้ชาถ้วยใหม่ก็ต้องอย่าไปเสียดายชาเก่าเทมันทิ้งไปเพื่อเราจะได้มีที่เทที่จะได้ใส่ชาถ้วยใหม่ร้อนๆอันนี้ก็เหมือนกันความสุขเก่าโยนมันทิ้งไปความสุขทางตาหูจมูกมือกายมาเอาความสุขใหม่ดีกว่าที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ นี่คือสิ่งที่เราต้องทําต่อไปหลังจากที่เราทําบุญทําทานรักษาสี่งได้แล้วเราตัดใบตัดกิ่งได้นะทีนี้เราจะมาตัดต้นของความอยากตัดด้วยสมาธิทําใจให้สงบพอใจสง บ, บแล้วเราจะมีกําลังสู้กับความอยากต่างๆได้ต่อไปถ้าเรารู้ว่าเวลาเราอยากจะหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เราตัด ได้ทันทีเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าถ้าเราได้ลดราคาที่แพงที่สุดในโลกนี้แล้วเรามีรถยี่ห้ออื่นนี่เราทิ้งไปได้หมดเพราะเรามีรถที่ดีกว่าแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็ทิ้งรถที่เรามีอยู่ไม่ได้ตอนนี้เรามีรถอยู่กันทุกคนในชะ่ถ้ามีใครเขาให้รถที่ราคาดีกว่ามาแรกเราจะแลกไหมแลใช่ไหม <laughs> แต่ถ้าไม่มีใครเอามาให้เราแลกเราจะแลกกั้ไหให้เอาเปล่าๆไปดิจะเอาไหมไม่เอาใช่ไหมตอนนี้เราไม่มีของแลกของเก่าเราต้องมาสร้างหาของใหม่ก่อนมาสร้างสมาธิสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนอันนี้นะถ้าเรามีสมาธิแล้วเทนี้เวลาเกิดความอยากไม่ว่าชนิดไหนเนี่ยเราหยุดมันได้หมด เพราะเรามีปัญญาพวกชนิดที่สามารถสู้กับกิเลสได้สู้กับความอยากได้ปัญญาชนิดนี้เรียกปัญญาชนิดที่สามภาวานามายัปัญญามีสองสว่วนคือความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากสุตตะกับจินตามาบวกกับกําลังของความสงบคือสมาธิภาวานาไงสมถะภาวนาภา ว, า น, าภาวานามายัปัญญา มีปัญญาสองปัญญาควบคู่กับสมาธิถึง เ, เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ตัดกิเลสได้ถอนรากถอนโคนของต้นไม้ได้ต้องเป็นปัญญาระดับที่สามระดับที่หนึ่งที่สองนี่ก็อาจจะทำลายได้แบบตัดกิ่งตัดใบ พอเราได้ฟังแล้วว่าอันนี้ไม่ดีนะทํำบาปไม่ดีเราก็อาจจะต่อไปนี้พยายามจะรักษาสีกันแต่จะรักษาได้ตลอดมากน้อยหรืไม่ยังไม่มั่นใจถ้าเกิดเจออะไรที่มาล่อใจเราแรงๆมันก็อาจจะอดไม่ไหวเหมือนกันหรือใครมายุมาแย่ทําไห้เราโกนนี่ก็อดที่จะด่าเขาไม่ได้เหมือนกันหรือใครมามีอะไรมาล่อให้เราต้องโกหกแล้วอาจจะต้องโกหกเหมือนกัน ใออไหมบางคนก็บอกโกหกแค่ก็สบายใจ <laughs> อันนี้ก็ บ, าบ้าเหมือนกันทําไมต้องให้ก็สบายใจด้วยทำไมเราไม่ทําเอาตัวเราให้สบายใจทําไมไปกํนกันวลกับเรื่องความสบายใจของคนอื่นทำไมยอมตกตลกเพื่อให้คนอื่นสบายใจบา้าหรือเปล่าโง่หรือเปล่าใช่ไหมทํา บ, าบ้าเป็นต้องใบอบายไม่คิดเลยใช่มเออ อ ย, อย่างยินดีอย่าปอบายยินดีไปเป็นหมาเพื่อให้คนหนึ่งก็สบายใจ <c oughs> นี่คือปัญญาสามระดับของพระพุทธศาสนาที่เราต้องพัฒนาขึ้นไป <c oughs> เหมือนกับเด็กที่ไปเรียนหนังสือต้องไปเข้าห้องเรียนบ่อยๆไม่ใช่ฟังหนเดียวพระพุทธเจ้าบอกการในะธรรมสวนังเอตามังกัลมุตตมัง การฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งสมัยพุทธกาลก็ฟังได้แค่อาทิตย์ละครั้งเดียวเพราะว่าต้องไปวัดต้องไปหาพระต้องหยุดงานหยุดทํางานถึงจะไปได้ชาวนาชาวไร่เขาเลยต้องหยุดทํางานเพื่อจะได้ไปทําบุญไปฟังเทศฟังธรรมแต่สมัยนี้เราโชคดีฟังธรรมได้ตลอดยี่บสีชั่วโมงเนี่ยของเราเนี่ยถ่ายทอดสดแล้วก็ยังมีดูย้อนหลังได้ ยสี่ชั่วโมงดูได้เท่าไหร่ฟังได้เท่าไหร่ยิ่งดีฟังจนกระทั่งมันไม่ลืมฟังจนกระทั่งมันเอาไปฆ่ากิเลสได้ชอบลืมกันเรื่องเนี้ยแล้วก็มากลับกลับมาถามปัญหาเก่าๆอยู่เรื่องเนี้ยตอปัญหาเก่าๆอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะลืมต่อไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาถามอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาถามอีกพอไม่เอาไปใช้ ถทำให้ใช้แล้วมันไม่ลืมเพราะมันจะเกิดความชํานาญปัญญามันจะไม่ลืมก็ต่อเมื่อเราเอาไปใช้เหมือนกับขับรถเนี่ยถ้าขับพ้ขับเป็นแล้วเลิกไม่ได้ไปขับเนี่เดี๋ยวไม่กี่วันไม่ขับใหม่ก็ขับไม่ได้แล้วแต่ถ้าขับอยู่ทุกวันนี่มันชํานาญนะไม่ต้องคิดเลยเกินรถปั๊บใส่กุญแจปั๊บพูดงวิ่งไปเลยถ้าหัดขับพ้เดี๋ยวแเราทิ้งไม่สักปีน้องกลับมาขับใหม่ดูเลย ขับไม่ได้นะมันต้องทัาอยู่เรื่อยๆต้องปฏิบัติเรียนแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติต้องเอาไปละความอยากเนี่ยเป้าหมายของการปฏิบัตินี้แค่นี้ให้เราไปละความอยากกันแล้วก็ถ้าเรายังละไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีกำลังก็ต้องสร้างกำลังขึ้นมาต้องทําทานเวลาอยากจะเอาเงินไป เอาเงินไปซื้อของตามความอยากก็อยากไปซื้อเหมือนเอาไปทำทานแทนหรือเอาเก็บไว้เก็บไว้ใช้เวรวันข้างหน้าเวลาที่ขาดแคลนข้าวปาอาหารเวลาตกงานหรือรายได้ไม่มีหรือไม่อยากจะทำงานแล้วอยากจะมาปฏิบัติธรรมเราก็จะได้ใช้เงินที่ไปใช้ตามความอยากนี้เอามาใช้กับสนับสนุนการปฏิบัติธรรม มาสร้างกำลังให้กับใจเราเพื่อเราจะได้สู้กับความอยากได้ทำทานนักษาศีลนี้เป็นการสร้างกำลังใจขึ้นมาตั้งให้เรามีกำลังสู้กับความอยากอยากจะทำบาปก็ไม่ทำเห็นอยากจะได้เงินง่า ย, ายๆเร็วๆก็ไม่เอาถ้าต้องโกหกแล้วได้เงินไม่เอาดีกว่าถ้าต้องการให้คนให้แฟนสบายใจแล้วต้องโกหกเขาไม่โกหกดีกว่า ก็ไม่สบายใจดีกว่าให้ม e> ันรู so much, so ้แล้วรู้รอดไปถ้ารักกันจริงก็อยู Atlas ่กันได้ถ้าไม่รักกันจริงก็ไปจะได้รู้จะได้รู้ท่าแท้กันว่าอยู่ด้วยกันยังไงอยู่ด้วยกันด้วยการเอาอกเอาใจด้วยอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาต่อกันด้วยความรักด้วยการให้กันและกันไม่ใช่อยู่เพื่อจะเอาจากกันละกันถ้าอยู่เพื่อเอาแล้วอยู่ไม่รอด แต่ถ้าอยู่เพื่อให้นี่ยอยู่รอดใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติคือทำลายความอยากทั้งหมดที่เวลามันโผล่ขึ้นมาอย่าไปรับใช้มันตอนนี้เราเป็นเหมือนขี้ข้ามันพนะ อ, อมันสั่งให้เรากาแฟ ร, รีบไปเลยสั่งให้ไปเปิดทีวีรีบเปิดเลยไม่เคยบอกไม่ดูไม่ได้ไม่ดื่มไม่ได้ไม่เคยเลย แล้วเวลามันไม่ได้ดูมันสบายใจั้ยเวลาไม่ได้ดื่มมันเป็นไงหงุดหงิดรำคาญใจไม่รู้การทำตามความอยากนี่นำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเวลาที่อยากเราไม่สามารถที่จะทำตามความอยากได้แต่ถ้าเรามาสร้างความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ความอยากผลิตขึ้นมาความสุขที่ได้จากการหยุดความอยาก ใช้สติหยุดความอยากพุทโธพุทโธไปพอหยุดคิดจิตสงบความอยากก็หยุดไปความสุขก็โผล่ขึ้นมาเราก็จะได้เห็นแล้วว่า อ, อนี่แหละความสุขที่แท้จริงเกิดจากการหยุดความอยากไม่ใชอ่อยู่ที่การทําตามความอยากเพราะถ้าเราหยุดมันได้แล้วต่อไปมันจะไม่กลับมารบกวนใจเรามันกลับมาเราก็มีวิธีหยุดมันมันกลับมาเราก็พุทโธพุทโธใส่มันไป เดี๋ยวมันก็อยู่เองถ้าเราไม่ทําตามความอยากไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็เลิกอยากเอง mm hmm. เหมือนคนมาชวนเราไปเที่ยวเนี่ยมาชวนมาถ้ามาชวนหลายๆครั้งไม่ไปก็ต่อบไปก็ไม่มาชวนอ่ะใช่ไหมถ้าชวนแล้วไปเดี๋ยวก็มาชวนอยู่เรื mm ่อยไปไปมไปไหมไป <laughs> แต่ถ้ามาชวนนาน ไ, ไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวไม่กี่ครั้งก็เลิกชวนนะ ขอให้รู้เนะี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีเป้าหมายอยู่จุดเดียวท่านอยู่ตรงเดียวให้หยุดความอยากเพื่อเราจะได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้วถ้าเรายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกําลังเหมือนนักวิ่งเป้าหมายพระพุทธเจ้าบอกให้ไปวิ่งมาราธอนกันถ้ายังวิ่งไม่ได้ให้ทํำยังไงก็ต้องไปฝึกวิ่งกันใช่ไหม อาจวิ่งทีละเล็กเทือน้อยก่อนเริ่มต้นที่คึ่งกิโลก่อนแล้วก็เพิ่มเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลเพิ่มไปเรื่อยๆวิงๆว่งมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้สี่สิบกว่ากิโลเนี่ยทํำไมคนอื่นเขาวิ่งได้กันนะเขาก็เกิดมาเหมือนเราคลานออกมาจากท้องแม่เหมือนกันทําไมเขาวิ่งต้องสี่สิบกว่ากิโลได้ทําไมเราวิ่งไม่ได้พราะเขาฝึกเขาซ้อมนี่ไไปดูคนที่เขาวิ่งมาละธานให้เขาฝึกเขาซ้อมกันนรูป้ปะ อยู่ดีๆแบวันนี้จะวิ่งม า, าทานแล้ววิ่งกันได้ป่ะวิ่งไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องไปฝึกวิ่งกันก่อนเราก็เหมือนกันต่อไปนี้เราจะหยุดความอยากเราก็ต้องไปฝึกหยุดกันก่อนหยุดแบบของง่ายๆก่อนเอาของง่ายๆของที่เราพอจะทำได้ก่อนทําทานไปก่อนใช่อยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาไปทําทานอยากจะเอาไปซื้อขนมมากินก็เอาไปซื้อของใส่บาตรก็ได้อันนี้ทาไป เล็กๆน้อยก่อนทำตามกําลังของเราที่เราพอจะทำได้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปสู่การละการทำบาปอยากทำบาปก็ไม่ทำพอละการทำบาปห้าข้อได้ก็ละการหาความสุขทางร่างกายได้แล้วเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายถือศีลแปะไปบวชได้แล้วเพื่อจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบมาเจริญพุทโธเจริญสติหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้แล้ว หยุดใจก็จะสงบแสดงว่าเราชนะแล้วถ้าความความอยากมันอาศัยความคิดเนี่ยถ้าไม่คิดมันไม่อยากมันต้องคิดถึงอะไรก่อนมันถึงจะอยากคิดถึงขนมนี่อยากกินขึ้นมาคิดถึงกาแฟอยากดื่มขึ้นมาตอนนี้ไม่ได้อยากอะไรเลยใช่ไหมตอนนี้นั่งฟังเทศอย่างเดียวเราต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้พอเราหยุดมันเป็นแล้วทีนี้เราชนะมันแล้วทุกครั้งที่มันอยากจะได้อะไรก็ จำคำสอนที่พระเจ้าบอกว่าอย่าทำตามความอยากต้องสู้กับความอยากต้องทำลายความอยากเ<ม>พราะพออยากหาความสุขทางร่างกายก็ไม่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันมันต้องแก่มันต้องเจ็บต้องตาย<ม>ต่อไปก็ได้เป็นพระอนาคามีพระโสดาบันก็หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ พระอนาคามีก็หยุดความอยากที่จะม่นอนกับแฟนพระอรหันต์ก็หยุดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอัตตาตัวตนครั้นี้ จ, จบใช่ไหมทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้วได้อยู่แบบผ้าขี้ริ้วได้ทําตัวเป็นปาฏิพีพรธเจ้าบอกให้ทําลายอัตตาตัวตนแต่เรามันอยากอยากมีหน้ามีตาอยากใหญ่อยากโตอยากให้คนเคารพนับถือใช่ไหม มันเลยทุกข์กันเวลาไม่ได้ดังใจอยากเวลาถูกเขาดูถูกหน่อยถูกก็ด่าหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเพราะอาการตัวตนเพราะความคิดว่าตนเองใหญ่คนอื่นแตะไม่ได้ต้องไม่ได้นี่คือเป้าหมายของการมาฟังเทศฟังธรรมการมาสร้างปัญญาสร้างปัญญาสามระ ด, ดับเรียนในห้องเรียนเสร็จแล้วก็กลับไปทาการบ้าน ไปนึกไปคิดอยู่บ่อยๆว่าเรามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่หยุดความอยา ก, กต่างๆแล้วพอเกิดความอยากอะไรก็หยุดมันให้ได้หยุดไม่ได้ก็ต้องไปฝึกวิ่งมาราธอนกันมันอยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําทบุญถ้ายังเอาไปทําบุญไม่ได้ก็ขอแบ่งไปสักนิดก็ยังดีไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทาบุญด้ว ย, ยญาติโยมชอบเดี๋ยวนี้ไปทาบุญกันแล้วก็ไปเที่ยวกัน ไปต่างยังหวัดไปทอดผ้าป่าไปทอดกรถินไกลๆจะได้ไปเที่ยวด้วยก็ยังได้บุญด้วยได้ทําบุญด้วยยังดีกว่าไปเที่ยวแบบรุ่นรุไม่ทําบุญเลยตอนจนการสายแบบนี้ก่อนยังติดเที่ยวอยู่แต่ก็ขอแบ่งเงินที่ไปเที่ยวนี้มาทําบุญบ้างต่อไปก็อาจจะทําบุญมากขึ้นเที่ยวน้อยลงไม่ต้องไปไกลเอาใกล้ๆต่อไปก็ทําบุญรุ่นรนเลยไม่ต้องไปเที่ยว นี่วิธีหัดฝึกหัดสร้างกําลังจิตกําลังใจสู้กับความอยากไป <Yes. S 1> ทําบุญได้แล้วก็จะเลิกทําบาปได้ mm hmm. เพราะจะไม่อยากเ mm hmm. บียดเบียนใครไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับใคร mm hmm. แล้วก็รู้ด้วยว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วมันก็จะกลับมาหาเรานะ mm hmm. เนี่ะเวลาไปทําบาปแล้วใครทุกข์เราจะทุกข์ mm hmm. ต้องคอยหนีตํำรวจเนีหรือต้องคอยหลบคอยซ่อนเอ mm hmm. โกหกใครก็แล้วบางทีก็จําไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรไปบ้างกลัวเดี๋ยวเผยความลับขึ้นมาอย่างตอนนี้พวกเรายัางไม่มีกําลังวิ่งมาลาทอนกันเนี่ยหัดไปวิ่งกันได้ละเอาวันละกิโลก่อนกันล้วกันทําบุญทําทานรักษาศีลห้ากันไปก่อนทําเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจากร้อยละหนึ่งเป็นร้อยละห้าร้อยละห้าเป็นร้อยละสิบ อย่ไปดูจํานวนเงินของคนอื่นดูของเราการทําบุญนี่ให้ดูน้อยละเท่าไหร่ที่เราทําเป้าหมายคือทำร้อยละร้อยก็จะมีน้อยมันจะได้ทําง่ายถ้ามีแค่หมื่นเดียวทำร้อยละร้อยทาแค่หมื่นเดียวไปบวชได้เลยเราสมัยก่อนเรามีแค่สามพันเนี่ยทำสามพันบวชได้เลยแต่ถ้ามีสามพันล้นนี่ต้องนกนัง่งขึ้นหนักเลยจะ จะทํายังไงดีต้องสามพันล้านนี่ไปบวชไม่ได้หรอกนะเงินทองนี่ก็เหมือนกับสมอเรือนะโยมเวลาจะให้เรือมันวิ่งไปได้ลั่นไปได้ลอยไปได้นี่ต้องถอนสมอกัอนใช่ไหมถ้าไม่ถอนมันไปได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าจะไปบวชถ้ายังสละเงินไม่ทองไม่ได้ไปบวชได้ไหมไปไม่ได้หรอกดูนะกว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีเงินเป็นสมหมายนั้นก็ถือว่าเป็นเงินระดับพันล้านหน่วยล้านนั่นแ่ะเป็นพระราชกปูมาอะ ไปถามราชกุมารของสาอุวันนี้มีเงินกี่ล้านถามราชกุมารของสาอุไปบวชได้ป่าบวชไม่ได้หรอกยังเสียดายเงินอยู่แต่พระพุทธเจ้าของเราสละได้เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารมีภาษาสามดูดูคิอ ด, ดูยังสละได้นั่นแหละคนที่อยากจะไปนิพพานคนที่จะอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ วันที่ไม่ต้องการจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตา ย, ยต่อไปต้องถอนสมอเรือถอนสมอเรือของใจคือความเงินทองนี่เป็นตัวที่ผูกใจเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดตัวแรกไม่ใช่ตัวเดียวแต่ตัวแรกนี่ก็คือเรื่องของปัญญาทั้งสามที่วันนี้ญาติโยมได้มาทบทวนกันถามยังตอเกันงงไปเลย ฟังเทศฟั ง, ฟงธรรมมาไม่รู้กี่ปีแล้วมีปัญญาทางตาทางหูควก็โถกอะ่ะมันก็ต้องได้ยินได้ฟังอะมันก็ทางหูแต่มันมีชื่อเรียกวสุตตะมัจยาปัญญาทางตาก็อ่านหนังสือใช่ไหม อ, อันนี้ก็สุตตะมัจยะปัญญาคือต้องเรียนรู้จากผู้อื่นเราไม่มีไม่มีความรู้ในตัวเราเราก็ต้องไปเรียนรู้จากผู้แต่ถ้าเราคิดเองได้เราก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ ถ้าเราคิดว่าเออเนี่ยความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรานี่เราก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ละแต่้เราก็ไปเรียนรู้แล้วจะทําไงที่ทําให้ความอยากมันหมดไปถ้าเรายังทําไม่ได้ก็ต้องก็ต้องไปสร้างทานสร้างศีล ส, สร้างสมาธิสร้างกําลังขึ้นมาก่อนพอมีกําลังแล้วปัญญาที่เรามีอยู่แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ฆ่ากิเลสตัณหาได้เลยตอนนี้พวกเรามีปัญญากันเนยอะแต่ขาดทานศีล ศีลสมาธิกันมีน้อยทานอาจจะมีศีลอาจจะมีแต่ตัวที่ขาดมากที่สุดก็คือสมาธิไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิกันบอกให้นั่งก็ไม่อยากจะนั่งกันอ้างนูน่นอ้างนีว่ว่าใช้ปัญญาได้เลยปัญญาอบรมสมาธิแล้วอบรมได้หรือเปล่าความอยากมันมันหายไปหรือเปล่ามันก็ไม่หายเพราะว่ามันยังไม่มีกำลัง สติไม่พอไม่มีสมาธิงั้นขอให้เอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังอันนี้ไปคิดอยู่เรื่อยๆถ้าไปทํางานกลับไปบ้านทํางานไปคุยกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวลืมหมดแล้ะมันเหมือนกับของที่เราเอามาแล้วเดี๋ยวเราของให ม, ม่มามาทับทับมันเข้าไปมันจะถูกความคิดใหม่ทับไปเรื่อยๆ เดี๋ยวคิดถึงงานคิดถึงเงินคิดถึงทองคิดถึงลูกคิดถึงหลานทรมากที่ได้ยินได้ฟังนี้หายไปหมดแล้วพออยากอะไรขึ้นมาทำเลยไม่รู้ว่าหน้าที่ลืมได้ไหมคือว่าหน้าที่ของเราคือไม่ให้ทำตามความอยากแค่นี้จําได้ไหมเอาไปทาได้นะลองทำดูอยากก็แพ้ลองอยากไปดื่มมันดูอยากดูทีวีอยากไปดูมัน ทำแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งที่อยากทำแต่ไม่จำเป็นต้องทำอย่าไปทำถ้าอยากจะรู้ว่าอันไหนจำเป็นอันไหนไม่จำเป็นก็ถามตัวเองว่าถ้าได้ทำแล้วมันถ้าไม่ได้ทำแล้วตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นถ้าตายก็แสดงว่าจำเป็นเช่นหายใจนี้ต้องหายใจหรือเปล่าถ้าอยากหายใจต้องหายใจหรือเปล่าถ้าไม่หายใจแล้วตายหรือเปล่า ถ้าตายก็ต้องหายใจอย่างนี้เรียกว่าจําเป็นไม่เป็นความอยากถ้าถึงเวลาต้องกินอาหารไม่กินแล้วจะตายปะตายก็ก็ต้องกินถึงเวลาต้องดื่มน้ําก็ต้องดืมงด่มแต่น้ํามันก็มีหลายชนิดน้ําที่ไม่จําเป็นต้องดื่มก็มีนะน้ําที่มีสีมีกลิ่นมีรสนี้เช่นน้ํากาแฟน้ําเป๊กซี่นี้ไม่ต้องกินมันไม่ต้องดื่มหรอกดื่มน้ำเปล่าๆเพราะร่างกายมันต้องการแค่น้ำเปล่าๆเท่านั้นนี่เราต้องคิดด้วยเหตุด้วยผล เราถึงจะรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นอะไรสิ่งเป็นสิ่งที่อยากเราจะได้ตัดเันไปเวลาไม่ได้ไปเที่ยวจะตายไ้มไม่ตายก็ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ได้ดูทีวีตายไ้ยไม่ตายก็ไม่ต้องไปดูต้องหยุดมันสูบบุหรี่แล้วไม่ได้สูบตายั้มไม่ตายก็่าไปสูบดื่มเหล้าอย่างเงี้ยไม่ได้ดื่มเหล้าจะตายไหมไม่ตายไม่ต้องไปดื่มอยู่กับแฟน อยู่คนเดียวได้ไม่ไม่มีแฟนตายนะไม่ตายมนะก็หันอยู่คนเดียวสิแฟนไม่อยู่ก็ไม่ต้องหาแฟนใหม่มาหันอยู่คนเดียวไปไม่ตายหรอกอยู่คนเดียวไม่มีแฟนไม่ตายนะนี่คือวิธียกงแยว่าอะไรเป็นความอยากอะไรไม่เป็นความอยากแล้วเราจะได้ไม่มีข้ออ้างกิเลสมันชอามาหลอกเราเลย พออยากทำบุญก็หาเอาเป็นความอยากขึ้นมานั่นสิอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความอยากอันนี้เป็นเป็นความจำเป็นถ้าไม่ทำบุญมันก็จะไม่มีกำลังมาสู้กับความอยากอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นนัมันต้องทำบุญอยากจะนั่งสมาธิอยากจะรักษาศีลอยากจะเจริญปัญญานี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นความอยากเป็นความจำเป็นวันนี้คนไข้ต้องกินยาอยากกินยานี่ เป็นความอยากก็พอไม่เป็นความอยากเพราะไม่กินยาโายครคภัยไข้เจ็บไม่หายเราต้องการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องกินยาเราก็ต้องอยากกินยาฉนันใดเราต้องการรักษาโรคใจคือความทุกข์ใจให้หายเราก็ต้องอยากกินยาอยากกินธรรมโอสถใช่ไหมธรรมโอสถก็คือทานศีลสมาธิปัญญาอย่างแต่กิเลสมันก็ฉลาดพออยากกินของของดีก็หาว่าเป็นกิเลสขึ้นมา พออยากจะได้ของไม่ดีก็หาว่าเป็นของจําเป็นขึ้นมาพอพออยากจะไปบวชก็บอกต้องอเลี้ยงลูกครอบครัวเอ<ม>ไปไม่ได้<ม> <laughs> อยากเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมากก็อยากไปบวช<ม>เราต้องชั่งน้ําหนักดว้วย<ม>เราจะเอาอะไรเอาครอบครัวหรือเราจะเอารักษาโาครคภัยไข้เจ็บของงา เวลาลกภายใกล้เจ็บเรายังเราไปโรงพยาบาลได้ปะเวลาไม่สบายทิ้งลูกทิ้งเมียไปโรงพยาบาลได้ปะไปได้ใช่ไหมทำไมเวลาไปรักษาโรคใจไปไม่ได้ไปบวดก็ไปรักษาโรคใจดีๆนี่แต่ไปไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งเงไไมียทิ้งสามีไปไม่ได้แต่เวลาไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลนี้ไปได้ทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งภรรยาได้กิเลสเป็ฉลานะ แตาเราไม่คิดไม่ไม่พิ จ, จารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วถูกมันหลอกถูกมันกินมันถึงเป็นเจ้าเจ้าเจ้าโลกสัตว์โลกมีกี่แสนล้านสัตว์เนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของมันเท่าไหร่ที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี่ไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์มนุษย์นี่มีหกถึงเจ็ดพันล้านคนแต่สัตว์อีกชนิดอื่นที่มองไม่เห็นอีกสัตว์เดรัจฉานอีก พวกเทวดาพวกกายทิศทั้งหลายนี่ก็เป็นสัตว์ทั้งนั้นพวกนี้อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาทั้งนั้นสู้มันไม่ได้มีคนเดียวที่เก่งที่สุดคือพระพุทธเจ้าหนึ่งในแสนล้านที่ฉลาดกว่ากิเลสที่เอาชนะกิเลสได้กิเลสหลอกพระพุทธเจ้าไม่ได้เพียงคนเดียวทั้งนั้นหลอกได้หมดเลยพวกเรานี่ถูกหลอกตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัว ไม่รู้ว่าถูกหลอกใช่ไรู้สึกว่าถูกหลอกให้ใช้คิดว่ากำลังสนุกกำลังมีความสุขกันไม่รู้กำลังหลอกให้ติดคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายสนุกกันเหมือนคนที่สนุกกันในคุกมันสนุกยังไงใช่ไหซู่คนที่สนุกนอกคุกไม่ได้กว่าไม่ดีกว่าเลยพวกเราติดคุกกันติดในคุกของการเกิดแก่เจ็บตาย แต่เ่อจะมีความสุขเดี๋ยวก็ถูกไอความทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายนี้มาลบไปหมดนะนี่คือเรื่องปัญญาสาตัวสามชนิดคือสุตตมยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษาจากผู้รู้ผู้เห็นอย่างพระพุทธพระธรรมพระ ส, สงฆ์ 2. นําความรู้นี้ไปทําการบ้านเอาไปจดเอาไปจําเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆเอาไปใช้ ถ้าใช้ไม่พอกําลังไม่พอก็ต้องไปเสริมกําลังเพื่อจะได้ให้มันเป็นปัญญาที่สามารถทําลายความอยากได้ทุกชนิดคือปัญญาชนิดที่สาเรียกว่าภ า, าวนามยัปัญญาปัญญาที่ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีสมาธิก็ตัดได้บ้างตัดไม่ได้บ้างแล้วแต่อารมณ์วันไหนอารมณ์ดีก็ตัดได้บางวันน่ะอารมณ์ไม่ดีก็ตัดไม่ได้บางวันไปเที่ยวเห็นกระเป๋าอยากได้เอาไม่เอา บางวันเห็นเล่ามาตัดไปได้ต้องเอาไปแล้วแต่อารมณ์ขอให้ท่านจงเอาไปคินิจ พ, พ, พิจารณาแล้วเอาไปใช้เกิดประโยชน์ปัญญานี้มีไว้เพื่อ <S <S เพื่อเอาไปใช้ <S <S เอาไปฆ่ า, ากิเลสตัณหาความอยากไม่ได้เอาไปอวดรู้กันว่าฉันรู้นั่นรู้นี่จบพระไตรปิฎกรู้พระสูตรนั่นรู้พระสูตรนี้ไม่ได้ให้เอาไปอวดกันให้เอาไปทําลาย ความอยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราและอย่าไปทำลายความอยากของคนอื่นความอยากของคนอื่นนึกปล่อยเขาไปไม่ใช่ไปไปบีบบังคับเขาไม่ให้เขากินนูน่นกินนี่เพราะเรืความอยากเดี๋ยวเขาก็จะได้โกรธเกลียดเรามาฆ่ากิเลส ข, ของเราอย่าไปฆ่ากิเลส ข, ของคนอื่น<ม>เดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาฆ่าเราไม่ใช่อะไรหรอกเอางั้นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุระปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิตูทินนางเปตานังอุปกะปติอิชิตังปัชิตังตุมหังคิปเมวาสมิจโตสัพเเปุเรนตุสามกปาจันโทปนะระโสยะถามณนิโชติ สวาสยาธาสพิธ <beach> ิโยวิวัจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวตวันตราลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจจงวุฒาปจายิโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขัง เดี๋ยวก่อนยังตอนนี้ขอพักก่อนขอกินน้ำหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ถานเอยอ่านห น, นังสือไปอ่านก็กำลังไปเอาเอาปัญญากันเนี่ยห น, นังสือธรรมะอ่านก็จะได้สุตตไมายาปัญญา อ, อ่านแล้วก็ต้องเอาไปจดไปจำ จะได้ไม่ต้องมาเปิดอยู่เรื่อยๆถ้าลืมก็ต้องมาอ่านใหม่มาฟังใหม่เดี๋ยววันนี้จะมีถามตอบปัญหาได้ถึงประมาณสามโมงยี่สิบแล้วหลังจากนั้นจะมีถามตอบภาษาอังกฤษมีคนที่เขามีคำถามภาษาอังกฤษเขาส่งคำถามเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ภาสุชาติ .com แล้วเราก็รวบรวมคำถามแล้วก็มาถามตอบ ในวันนี้แล้วเขาก็จะไปดูใน y o u t u ู e ต่อไป y o u t u ในที่มีชื่อว่าธรรมะดัมมะอ n นอังกฤษอันนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษอ้าวอยากจะถามเะไรเชิญ บุญกุศลเนี่ยราทำรูปทานเราสวดเงิใช่ไหมคะ<ช><ช>เรสวดเสร็จเรบอกว่าขอแผ่บุญกุศลให้กับดวงวาณคุณพ่อคุณแม่อะไรที่ลแล้ได้ไม ะ, ะมันยังไม่ได้กุศลนะสิมันกุศลแบบนี้มันยากเหมือนปลูกต้นไม้ตอนที่เราสวด น, นี่กําลังปลูกต้นไม้อยู่ยังไม่ได้ออกดอกออกผลยังไม่มีผลที่เราเอาไปแจกเขาเขายังไงนะมีแต่ต้นที่เรากําลังปลูกอยู่ จะได้บุญกุศลเมื่าจิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธินั้จะได้ถ้ายังไม่ได้สมาธิยังไม่ได้ผลส่วนไปบางทียังบนนู่นบนนี่อยู่ะจะเอาบุญกุศลอะไรไปไปส่งให้เขาวิธีจะส่งบุญส่งกุศลง่ายๆคือถวายทำบุญสายบาตร ไ, ได้บุญละได้ความอิ่มใจสุขใจเขาต้องการบุญแค่นี้นเขาไม่ต้องการบุญระดับสมาธิหรอก เราต้องการบุญระดับแค่เนี่ยทา น, นให้เขาเขาเี้ยวอาหารทำทำทำบุญให้เขาด้วยการใส่บาตรคนก็จะได้บุญนะบุต ร, ร ก, ก็มากดเดี๋ยวนี้ผ่านมือถือก็ได้ทนะํทำบุญที่ไหนให้ขอทานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องให้กับพระอย่างเดียวให้เราเสียสละเงินทองที่เรามีอยู่เพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วแต่ทำบุญไม่จาเป็นต้องใส่บาตร ไม่ต้องใส่บาทเดียวทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้กับพี่กับน้องก็ได้กับลูกก็ได้ก็เป็นการทำบุญนี่เี้ยเราได้เสียสละไปแล้วแต่ที่ทำกับพระว่ามันจะได้สองยิงนกทีได้สองตัวกระสุนนุม่มนสองตัวได้ได้เลี้ยงพระด้วยพระจะได้มาทำหน้าที่สั่งสอนพวกเราอีกที ถ้าเราไม่เลี้ยงพระเดี๋ยวพระอดตายก็เสกกันหมดไม่มีใครมาสั่งมาสอนเราถ้าเลี้ยงลูกอย่างเดียวลูกมันไม่ก็ไม่มาสั่งมาสอนเราเอามาสอนเราเราก็ไม่พอใจอยู่ดีเห็นต้องไปเราถึงเลือกทําบุญกับคนที่ทําประโยชน์แต่ก็เราก็ทํากับคนที่ไม่ไม่ทําประโยชน์เช่นคนที่ยากไร้แต่ก็ทําน้อยทําพอให้เขาอยู่ได้ แต่คนที่มีประโยชน์เราจะทามากกว่าบางคนทำกับครูบาอาจารย์เป็นแสนเป็นล้านเพราะท่านเห็น ค, คุณค่าของครูบาอาจารย์ที่ทำไปทาประโยชน์ให้แก่โลกเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนท่านแต่เวลาเขาให้ขอทานเขาก็ให้แค่สิบบาท2ี่บาทเพราะขอทานไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับใครก็ให้เขาให้เขาอย่างชีพให้เขาอยู่ได้ไม่ตาย การทําบุญกับคนก็มีวิธีมีมีมีมีเงื่อนไขหรือ ม, ม, ม, มีเหตุผลในการทํามากน้อยต่างกันไปตามตสถานภาพาของบุคคลที่เราทําให้ด้วยการที่เราสวดมนต์แล้วดเสร็จแล้วเราก็นั่งสมาธิจิตยังไม่รวมยังไม่ได้บุญนะก็คือเพื่อสร้างสมบูรณ์ให้เกิดเลยฝึกสมาธิทำใจให้สงบ สร้างกำลังใจช่วยเราเมื่อเรามีความสงบแล้วเราจะได้มีกําลังสู้กับกิเลสต่อไปสู้กับความอยากการสวดวนนี้เพื่อฝึกสติยังไม่ยังไม่ได้สมาธิจะได้สมาธิจิตต้องหยุดสวดแล้วเพ่งอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งดูลมนึกพุโทโธไปอย่างเดียวจนกว่าจิตจะรวมแล้วร่างกายหายไปศักดิว่ารู้งานหนักถึงจะได้บุญ ถึงจะได้ผลบุญเน้นไดอยากยาให้บุญกับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ว่าเงินไปให้พ่อแม่เลยโดยตรงง่ายดีหรือซื้อของไปฝากพ่อฝากแม่ไม่อยู่ก็ทำบุญแล้วก็แล้วก็อุทิศบุญไปใส่บาตรหรือบริจาคให้กับองค์กรสาธารนณะอะไรต่างๆก็ได้ ทำกับวัดก็ได้ทำกับอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเห็นว่าเราอยากจะสนับส น, นุนทางไหนล้วก็ทำไปทางนั้นท่านเคยบอกว่าการทำบุญกับวัดอะไรเนะียไม่เ ป, เป็นต้องสร้างก็ถ้ามันมีเยอะแล้วก็ไม่ต้องสร้างถ้ามันถ้ามันขาดก็ต้องสร้างถ้ามันพอแล้วก็ไม่ไม่ต้องสร้างมากแล้วก็ไม่ต้องวิจิตรพิสดา แต่บางทีคนรวยคนใหญ่คนโตก็อยากจะสร้างแบบวิจิตพิสดารก็ไม่ห้ามมันเป็นเรื่องของบารมีของเขาเรื่องของศรัทธาของเขาแต่ถ้าไปสร้างกับวัดป่านี่มักจะถูกห้ามครูบาอาจารย์มีพลังที่จะห้ามผู้มีบารมีได้อย่างในหลวงนี่ไปขอสร้างโบสถ์ให้หนูตาหนูตาบอกไม่เอาเพาไม่จำเป็นไม่ได้ใช้โบสถ์ มีสาลานี่ก็ทใช้ทำทำกิจของสงฆ์ได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องมีโบสถ์ก็เลยปฏิเสธแต่ก็การสร้างโบสถ์มันก็ทําให้เกิดความวุ่นวายในวัดต้องเอาคนงานก่อสร้างเข้ามาน้องตาบอกดี้ไม่ดีเดี๋ยวมันก็มาผลิตรูปในวัดเนี่ยละกระจายไหมเรีย น, นสร้างสร้างเท่าที่จําเป็นแล้วก็สร้างแบบอง่ายเรียบง่าย ไม่รู้หลาไม่วิจิตพิสดารแต่ถ้าศรัท ธ, ธาอยากจะสร้างขึ้นมาเองอย่างสมัยพุทธกาลมหาเศรษฐีสร้างวัดแล้วค่อยถวายนีย่ท่านก็ไปห้ามก็ไม่ได้เขาสร้างเสร็จแล้วเอามาถวายแต่ถ้าเขามาขอสร้างที่วัดเองเนี่ก็อาจจะห้ามได้ใจเลยนะ <Perfect. S 1> มีอีกไหม mm hmm. ไม่มีเดี๋ยวจะได้ทางเฟสเดี๋ยวแนาที มีวันนี้เข้ามาเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ a c e b ุ o k สูงสุด443ค่ะยูทูบ125วิธีโอ3ค่ะวันนี้เยอะหน่อยนะเอาเอาเข้ามาเลยเอาสัก10นาทีคาถามจากคุณพิสิทธิ์ถ้าหากตอนเริ่มนั่งสมาธิสามารถสงบจิตด้วยการรู้อยู่เนืองๆแล้วเกิดความสงบได้มากกว่าการบริกรรมคำพูดถือว่าถูกต้องไหมครับถ้ามันยังไม่รวมมันก็ยังไม่ถูกต้องถ้าให้มันรวม วิธีจะรวมนี่มันต้องมีอะไรผูกจิตไว้ไม่ให้มันไปคิดให้มีลมหายใจหรือมีพูดโทนี้อย่างใดอย่างหนถ้ายังไม่รวมก็มันอาจจะสงบแต่มันไม่สงบเต็มร้อยแต่อยางให้มันสงบเต็มร้อยนี้มักจะต้องดูลมเพ่งดูอะไรอย่างเดียวเพ่งเฉยๆไม่ให้คิดคำถามจากคุณรน กลัวการตกนรกทําไงดีค <adopting> ร <tennis> <Okay. S 2> ับเราจะหลุดพ้นจากนรกได้ได้หรือเปล่าครับเพราะทําสิ่งที่ผิดพลาดไปในอดีตก็อย่าทําบาปยอมตายถ้าถ้าต้องเลือกระหว่างการทําบาปกับการตายยอมตายอย่าไปยอมทําบาปเพราะตายไปมันก็ไม่ต้องไปใช้กรรมถ้าไม่ได้ทําบาปแต่ถ้าทําบาปแล้วอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีพอตายแล้วก็ต้องไปตกนรกไป ไปเกิดใยอบา ย, ยงั้นยอมยอมตายดีกว่าทําบาปรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเสียชีวิอย่าเสียสัตว์งั้นลูกเสือเพราะว่าใช่ไหมเสียชีวิอย่าเสียสัตว์สัตว์ก็คือศีลเนี่ยสัตว์ก็คือความซื่อสัตย์สุดจริตคําถามจากคุณหลงรู้ศีลแปดใช้น้ำยาปัดผ้านุ่มผิดศีลไหมครับเพราะมันมีกลิ่นหอมฟุ้งเฟือยเกินจําเป็นถ้าไมนจำเป็นก็ไม่จำเป็ น, นปใช้หมดเลย ใช้ใช้น้ำาป่าก็พอถ้าไม่มีแฟบไม่มีเพิร์มอะไรก็ชำรนะกลิ่นเหม้นกับฝุนอะไรก็พอแล้วแต่ถ้ามีก็ก็อ ย, าอยา่าที่ก็อยู่ที่เจตนาเราเราใช้เพื่อดมกลิ่นมันก็ป่าแต่ถ้าใช้เพื่อให้มันสะอาดอย่างนี้ก็ใช้ได้คาถามจากคุณกิตวันยอมโกโหกให้แม่สบายใจจะบาปมหยเจ้าคะ<บ>แม่แม่สบายมากพาไปไปหาหมอ หมอให้นอนโร ง, งพยาบาลค่ารักษาเกือบแสนยมตัดศูนย์ที่ท้ายออกไปหนึ่งถึงสองตัวบ้างแม่จะพยักหน้าก็ไม่แพงนะกลับบ้านอย่างสบายใจเจ้าค่ะอะก็สบายใจแต่ต้องไปไปเกิดนโยบายต่อไปอย่างที่เมื่อกี้พูดว่า ย, ยากตกน้ำนกเพื่อให้คนหนึ่งสบายใจก็ทำไปไม่ว่าเลยท่านถามจากคุณแม่นกเราจะปฏิบัติทําอยู่บ้านได้ไหมคะ ได้ปฏิบัติธรรมได้ทุกแห่งแต่จะได้มากได้น้อยมันอยู่ที่สถานที่เหมือนการรักษาตัวรักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่โรงพยาบาลก็ได้ที่ไหนมันสถานที่มันต่างกันโรงพยาบาลมันมีเครื่องม้เครื่องมือพร้อมกว่าที่บ้านเหมือนกันการปฏิบัติไปปฏิบัติที่วัดที่สงบมันจะดีกว่าอยู่ที่บ้านก็ที่บ้านมันอาจจะมีเสียงมีคนอะไรรบกวนต่าง คำถามจากคุณพนมพรการบวชหน้าไฟได้บุญถึงคนตายจริงไหมครับไม่จริงหรอกความบวชเนะี่ยได้บุญแต่ได้น้อยบวชมันยังไม่รู้เรื่องมันทาจะไม่ได้อะไรเลยบวชเสียเวลาเปล่าๆอย่าไปบวชเลยสู้ไปทาบุญใส่บาตรดีกว่าคนตายจะได้รับทันทีคำถามจากคุณมีศักดิ์ด สภาวะนิพพานคือโลกของวีมุตใช่ไหมครับและเมื่ออยู่ในโลกของวีมุติจะสามารถมองเห็นโลกของสมมุตินี้ได้ไหมครับไม่หรอกนิพพานคือใจของเรานี่แหละที่ไม่มีกิเลสไม่มีความอยากเกิดจากการชำระด้วยสิงสมาธิปัญญาพอเรามีสิงสมาธิปัญญาเราก็ตัดความอยากได้หมดจิตกลางก็เป็นนิพพานแล้วก็ยังอยู่กับโลกธรรมดาอยู่พราะพุทธเจ้าถึงนิพพานตั้งแต่อายุสาสห้า ตอนที่อยู่ใต้คนต้นโพนนั่นแหะถึงนิพพานแล้วรู้ตับใจของว่าพุทธใจของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานแล้วก็ยังคุยกับเราคุยเทสนาว่ากล่าวสั่งสอนคนนั้นคนนี้ได้อยู่ผาหลังที่ยงมีชีวิตอยู่ท่านถึงนิพพานกันหมดแล้วใช่ไหมคือใจของท่านสะอาดแล้วเหมือนเสื้อผ้าที่เอาไปซักอนะ่ะเสื้อผ้าที่ซักกับเสื้อผ้าที่ไม่ซักมันก็ต่างกันตรงที่สะอาดหรือไม่สะอาดเสื้อผ้ามันก็ยังอยู่ที่เดียวกันน่ะ อยู่ในคนที่ใส่ใช่ไหมพอเราเอาเสื้อผ้าซาดมาใส่มันก็คนเดียวกันเดี๋ยวถ้าเราไม่เอาเสื้อผ้าที่สกปรกไปซักเราใส่ไหมเสื้อผ้าแก็แค่สกปรกนั่นเองก็ต่างกันตรงที่สะอาดหรือไม่สะอาดอั่างนี้ผ่านคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ส่วนใจของพวกปุถุชนก็คือใจที่ยังสกปรกสกปรกด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยความอยากต่างนั้ถามแล้วนะี่คิดว่าพอดีกับเวลาวันนี้ สำหรับภาคภาษาไทยก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านต้องการจะอยู่ฟังภาค ภ, ภาษาอังกฤษต่อก็ได้แต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องอยากจะกลับก็ไม่ว่ากันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปทีิจพิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่า